การศึกษาและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายอยู่ที่การที่จะทำให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเป็นที่พึ่งของตอนเองไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆการศึกษาการปฏิบัติ จะสอนให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติรู้วิธีพึ่งตนเองถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่รู้วิธีก็จะพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้คือพึ่งลาบยศสารเสริญ พื่อรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆเพื่อให้ความสุขความสบายกับตนแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งต่างๆที่ไปอาศัยไปพึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นพิษขึ้นมาในภายหลังเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ไปพึ่งนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวจะต้องมีวันหมดจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาที่มันหมดเวลามันสิ้นสุดความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ พระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้มาหาที่พึ่งที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรดีกว่าเป็นที่พึ่งที่จะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปพึ่งสิ่งภายนอกของใจจะต้องมีการพัดพลากจาก กันไปเช่นตอนนี้พวกเรามาพึ่งร่างกายกันเบื้องต้นเราต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆให้กับเราเราต้องพึ่งร่างกายพอเราพึ่งร่างกายเราก็ต้องมาทุกขกับร่างกายทันที พรร่างกายเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันแก่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> และมีวันตายพอเราต้องเจอกับวันแก่วันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวันตายเราก็จะไม่สามารถ ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจได้นี่คือในปัญหาถ้าไปพึ่งของภายนอกใจไปพึ่งร่างกายก็ต้องเจอปัญหาคือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแนอกจากนั้นยังต้องไปพึ่งสิ่งอื่นอีก มีร่างกายแล้วก็ยังไม่มีความสุขต้องใช้ร่างกายไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆมาให้ถึงจะได้ความสุขเองจึงต้องมีการไปหาข้าวของเงินทองต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆเพราะเวลามีทรัพย์นี้ทรัพย์เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึก อยากได้อะไรก็สามารถที่จะเนรมิตมันขึ้นมาได้อยากจะได้รถยนต์อยากจะได้คอนโดอยากจะได้เพชรนินจินดาแม้แต่แฟนบางทีก็ยังได้เพราะว่าแฟนนี่ชอบคนที่มีทรัพย์คนที่ไม่มีทรัพย์มักจะหาแฟนไม่ค่อยได้ พอไปอยู่กับคนไม่มีทรัพย์เดี๋ยวก็ถูกคนไม่มีทรัพย์ดูดเองดูดทรัพย์ของตนเองเองคนที่ไม่มีทรัพย์ยิ่งมักจะหาแฟนไม่ค่อยได้แล้ ว, ลวคนที่อยากจะมีแฟนก็มักอยจะหาแฟนที่มีทรัพย์กันเอก็ลเลยต้องต้องหาทรัพย์กันนะแต่ทรัพย์เวลามีทรัพย์ก็มีแฟนเวลาทรัพย์หมด แฟนก็าจากไปเพราะไม่มีอะไรให้แฟนนะแฟนมาอยู่กับเราไม่ใช่เพราะว่าเราเนะอยู่เพราะว่าเรามีทรัพย์ให้เขาใช้นั่นเองเขาอยากจะได้อะไรเขาก็ขอเร า, าเรารักเขาเราก็ซื้อให้เขาเอาใจเขาเนี่นละ จึงต้องหาทรัพย์กันเวลามีทรัพย์ก็มีความสุขกันแต่ทรัพย์มันก็ไม่ได้เป็นของที่นิ่งที่จะอยู่กับเราไปเสมอเพราะถ้าใช้มันไปเรื่อยๆมันก็จะต้องลดลงแล้วก็ จ, จะหมดได้และเวลาหาทรัพย์ก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ตลอดเวลายิ่งยุคนี้ยุคเศรษฐกิจตกต่ําช่ มีคนบ่นกันว่าเงินฝฟืเอหาเงินยากพอเศรษฐกิจตกต่ำเงินไม่เข้ามีแต่ออกนี่นี้ความสุขก็หายไปละความทุกข์ความวิตกกังวลก็ตามมาละต่อไปจะทำไงเดี๋ยวไม่มีเงินใช้แล้วไม่มีเงินใช้ไม่พ ไ, ไม่เป็นไรไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าอะไรต่างๆเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปหาอะไรกินนี่คือปัญหาที่ตามมาถ้าเราไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนนั่นเองบางทีก็มาบางทีก็ไม่มา บางทีอยู่ดีๆก็ไปจากเราไปก็มีห้ามเขาก็ไม่ได้เวลาเขาจะไปเห็นบางทีเขาตายไปอย่างเงี้ยจะไปห้ามเขาตายไม่ได้เวลาเขาจะไปเขาก็ไปไอของที่ไม่อยากให้มันมาบางทีมันก็มาใช่ ไ, ไหมนี่ศีลไม่นุ่มมาจากไหนมันเข้ามาเจ้านงเจ้านี่ไม่อยากจะให้มาก็มา นี่แหละคือโทษของการไม่พึ่งตนเองโทษของการไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะคนที่มาเกิดในโลกนี้พึ่งอะไรบ้างเบื้องต้นก็พึ่งร่างกายก่อนต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความรู้ความสามารถถ้าไม่มีความรู้ก็ไปเรียนหนังสือ ไปพึ่งครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อไปหาวิชาความรู้พวามมีวิชาความรู้ก็ใช้ร่างกายนี้ประกอบกับวิชาความรู้เอาใช้วิชาความรู้ไปหาไรายได้ได้ถ้าเรียนจบแมวหมอก็ไปเป็นหมอเป็นหมอก็มีเงินมีเงินเดือนมีอะไรเป็นพยาบาลเป็นวิศวกร เป็นอะไรก็ตามต้องมีวิชาความรู้เพื่อที่จะไดะ้ขายวิชาความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นเป็นการแลกเปลี่ยนเอาทรัพย์เงินทองเข้ามาอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะต้องมีวันที่จะต้องไม่สามารถหาได้อาจจะไม่มีงานให้ทำ หรืองานมีแต่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นพิกลพิการไปเอาเป็นอำมาพึกเอามาพาดไปทีนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายผ่านทางร่างกายได้นี่คือ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆและบางทีสิ่งต่างๆมันยังไม่จากเราไปเลยมันก็ทําให้เรากัางวลขึ้นมาได้เพราะเราก็รู้กันว่าไม่มีอะไรแน่นอนร่างกายของเราก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะเป็นอะไรขึ้นมาหรือไม่ จะเป็นโรคแปลกๆ ป, ประหลาดขึ้นมาอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาก็มีอยู่ดีๆก็แขนแขนขาข ย, ขยับขยื่นไม่ได้ก็มีบางทีก็ปวดศีรษะทำอะไรไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของร่างกายแล้วก็งานการ ที่เราใช้เป็นการหาเงินหาทองก็ไม่แน่นอนบางทีการงานก็รุ่งเรืองบางทีการงานก็ซบเซาบางทีถึงต้องปิดกิจการไปก็มีเพราะทำไปแล้วขาดทุนทำไปแล้วไม่ได้กำไรนี่คือการหาความสุขจากราบเป็นอย่างนี้ พอมีราบแล้วก็อยากจะได้ยศก็มีทํางานก็อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนด้วยแล้วก็มีอํานาจด้วยชี้ฟ้าชี้นกได้ชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้ฟ้าเป็นนกชี้นกเป็นฟ้าได้มีคนคอยรับใช้รับคําสั่งก็อยากจะมีอํานาจมียศมีตําแหน่งมีเกียรติมีคน ยกย่องเคารพนับถื อ, อ, อ, อพอมีเกียรติมีทรัพย์มีเกียรติแล้วที่นี้ก็อยากจ ะ, ะมีรางวัล อ, อยากจะทําอะไรให้มันดีเด่นเพื่อจะได้รับรางวัลเกีย <c oughs> รติรางวัลตุกตาทองรางวัลอะไรต่างๆ <c oughs> เวลาได้รางวัลแล้วก็มีความรู้สึกภูมิ อ, อกภูมิใจมีความสุขใจ เวลาไปแข่งขันถ้าเกิดแพ้ก็เสีย อ, อกเสียใจแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถเด็กน่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตาก็อยากจะดูภาพต่างๆโดยเฉพาะภาพที่ไม่ไม่ได้เห็นภาพที่เห็นบ่อยๆแล้วเห็นแล้วก็จำเจม เบื่อหน่ายต้องไปหาภาพที่ไม่เคยเห็นต้องไปไกลๆต้องเดินทางกันไปสามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเวลาได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวก็ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่พอกลับจากการท่องเที่ยวบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็หายไป ก็กลับมาเจอบรรยากาศจำเจซ้ำซากที่บ้านที่ทำงานใหม okay. ่ก็ต้องคอยไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆคอยไปเปลี่ยนบรรยากาศอยู่เรื่อยๆถ้าตราบใดมีเงินถ้าตราบใดร่างกายแข็งแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเวลาใดร่างกายไม่สบายขึ้นมาไม่สมประกอบขึ้นมาเงินทองไม่พอใช้ขึ้นมา เวลานั้นจะไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กับบรรยากาศที่ซ้ำซากที่จําเจที่น่าเบื่อหน่ายก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความซึมเศร้าเกิดความว้าเหวขึ้นมานี่แหละคือผลของการที่เราไม่รู้จักพึ่งตนเองไม่รู้ว่าในตัวของเรานี้มีความสุขที่วิเศษ วความสุขต่างๆที่เราจะได้จากสิ่งภายนอกใจของเราจะมารู้ก็ต้องมาเจอนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้านี่ที่ทรงค้นพบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังสุข อ, อื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือในทุกด้านในด้านความสุขก็เหนือกว่าความรู้สึกสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญกับจากรูปเสียงกิ่นดนี่สุขไม่เท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วมีด้านเหนือหนิดคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่มั่นคงกว่าเที่ยงแท้แน่นอนกว่าทาวรนกว่า ที่เราสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปกังวลกเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของร่างกายจะมีเงินทองไม่มีเงินทองไม่เป็นปัญหาเพราะ ความสงบนี้ไม่ต้องใช้เงินทองอร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะสามารถหาความทําใจให้สงบได้ทุ ก, ท, กทุกรูปแบบของร่างกายร่างกายแข็งแรงก็ทําใจให้สงบได้ร่างกายไม่แข็งแรงก็ทําใจให้สงบได้ ร่างกายเจ็บไขยหรือไม่เจ็บไขยได้ป่วยก็ทำใจให้สงบได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ทำใจให้สงบได้เพราะใจนี้เป็นคนละคนกับร่างกายไม่เกี่ยวกันร่างกายเป็นอะไรไม่สามารถมาห้ามการทำใจของใจให้สงบได้อันนี้แหละเป็นวิธี สร้างที่พึ่งให้กับตนเองสร้างที่พึ่งด้วยการสร้างความสงบให้กับใจของเราเองเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักการทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บรมสุขนิบานังปรมังสุขขัง บ, บัลลุมปรสบก็ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนีง่สุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขทางร่างกายทางลาบยศจลาเสญความสุขที่มั่นคงที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่แหละเป็นเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรา รู้จักวิธีทําใจให้สงบนี่เองนะเราต้องศึกษาว่ า, าต้องทําอย่างไรบ้างที่จะทําให้เรานี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆอีกต่อไปไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งลาบยศสละเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวิธีที่จะทําให้เราไม่พึ่งสิ่งเหล่านี้ เบื้องต้นก็คือเราต้องหยุดการพึ่งสิ่งเหล่านี้วิธีที่จะหยุดก็คือการถือศีลแปดนี่ถ้าอยากจะได้ความสงบได้ความสุขรูปแบบใหม่ก็ต้องหยุดหาความสุขในรูปแบบเก่าเหมือนกับถ้าเราอยากจะเปลี่ยน อน้ำชาหรือกาแฟพอดีน้ำชาหรือกาแ ฟ, นนาาฟนในถ้วยที่เราบีนั้นมันเย็นดื่มแล้วไม่มีรสชาติเพราบางทีเราเใส่ไปทํางานไปทําอะไระเทน้ําชากาแฟไว้ในถ้วยแล้วไม่ได้ดื่มมันมันก็เย็นมันก็ดื่มก็ไม่อร่อยถ้าอยากจะได้กาแฟใหม่น้ําชาใหม่ ที่ร้อนที่น่าดืว่วก็ต้องเทน้ำชาเก่าทิ้งไปก่อนเทน้ำชาหรือกาแฟในถ้วยเก่าทิ้งไปก่อนถึงยะเทน้ำชาหรือกาแฟลงไปในถ้วยได้เพราะเรามีถ้วยเดียวใจเรามีใจเดียวตอนนี้ใจเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ หาความสุขผ่านทางร่างกายถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีความสุขใหม่รับความสุขรูปแบบใหม่เราก็ต้องเคลียร์ใจออกเอาความสุขรูปแบบเก่าเคลียร์ออกไปเหมือนบ้านเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เราก็ต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่าออกไปก่อนเหือนเดี๋ยวมันไม่มีที่ตั้งเอาเตียงสองเตียงมาตั้งซ้อนกันบนที่ เอาโซฟาสองโซฟามานั่งซ้อนกันเมันก็ไม่ได้เรื่อ ง, องนังไงถ้าอยากได้ของใหม่ก็ต้องสละของเก่าไปก็จะเอาทั้งรักพี่เสียดายน้องไม่ได้แล้วเอาได้คนเดียวถ้าจะเอาพี่ก็ต้องทิ้งน้องไปถ้าจะเอาน้องก็ต้องทิ้งพี่ไปจะเอาทั้งพี่ทั้งน้องนี้ไม่ได้เพราะใจมีที่รับได้ที่เดียว อาวความสุขภายนอกก็จะไม่มีความสุขภายในถ้ายาวความสุขภายในคือความสงบก็ต้องไม่ไม่มีความสุขภายนอกนี่แหละทำไมถึงต้องถือศีลแปดกันเพราะศีลแปดนี่เป็นผู้ที่จะมาห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส เต้องมีการหยุดพักไว้ชั่วคราวก่อนเบื้องต้นเราอาจจะคิดว่าโอ้ยเราจะเลิกได้ยังไงเราเคยหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ดีๆจะให้เลิกเลยนี่มันก็คงจะทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มีวิธีบอกก็ไม่ต้องทําแบบหักดิบเลยฮ เอาทำทีละเล็กทีละน้อยก่อนฮะอาทิตย์หนึ่งลองมาทําสักวันหนึ่งก่อนฮะวันพระเนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าบอกว่าเอ่าวันพระนี้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันนะเอหยุดการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกล็ดลอดต่างๆแล้วเราลองมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบกันอันนี้เป็นวิธีเหมือนกับ เวลาเราจะไปกินอาหารอาหารที่เราไม่เคยกินเราก็ไม่กล้าสั่งมาถ้าขอชิมได้หน่อยก็ก็จะดีเจ้าของร้านเขาก็รู้เขาก็อาจจะตักมาให้ชิมสักคาสองครดูว่าถูกใจไหมถูกปากถูกใจไหมพอชิมแล้วถูกปากถูกใจนี้ทีนี้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องขยนันขยอสั่งมาเลยเอากี่จานก็สั่งมาได้เลย อันนี้ก็เหมือนกันรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ก็ต้องอาศัยการชิมก่อนถ้ายังไม่ชิมก็ก็ยังไม่รู้ว่าดีจริงหรือไม่ <c oughs> สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถึงแม้จะเชื่อถึงแม้จะเคารพคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากาโตพระกัตาธรรมโมเป็นความจริงทุกประการก็ตามาะ แต่มันยังไม่จริงในในใจเราใจเรายังไม่ได้สัมผัสกับมันจึงไม่รู้ว่ามันดีอย่างไรมันวิเศษอย่างไรถึงเรียกว่าเหนือกว่ารถทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็ต้องขอชิมพระพุทธเจ้า ก, ก็รู้ก็บอกว่าเชิญมาชิมกันเชวชวนชิมวันพระเป็นวันเชวชวนชิมมาชิมรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง มาถือศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกสติกันฝึกสติด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยบริกรรมพุทโธพุทโธในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาต้องเริ่มเจริญสติทันทีเพราะว่าถือว่าขึ้นเวทีแล้ววันพระนี่เป็นวันขึ้นเวทีแล้ว ไปขึ้นเวทีแล้วไปเดินรอบๆเวทีเดี๋ยวก็โดนคู่ต่อสู้ไล่ตีเท่านั้นแหละพอขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยเลยเจอคู่ต่อสู้ปั๊บต้องต่อยมันเลยอย่าปล่อยให้มันต่อยเราคู่ต่อสู้ของเราคืออะไรก็คือความคิดนี่แหละ คิดเลื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องหากินหาอยู่หาหารูปหาเสียงหากินหารสแล้วเดี๋ยวดื่มกาแฟหรือยังเดี๋ยวจะกินอาหารเช้าอะไรดีกินไข่ดาวดีไหมกินโจ๊กดีไหมกินปลาท่องโก้ดีมไหยมันจะคิดไปแล้วเนี่ยคิดไปหาราบยกศละเสริฐไปหารูปเสียงกินรส พอมันจะคิดอย่างนี้ก็หยุดมันเลยวันนี้จะไม่หากินเองให้เขาจัดหาให้อไปอยู่วัดก็กิกนตามมีตามเกิดเดี๋ยวก็ไปร่วมกินกันใครก็มาทําบุญมีอะไรหรือว่าจากพักก็กินมันตามมีตามเกิดไปไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าวันนี้จะมีอะไรกินพักก็เหมือนกันวันนี้ไปบินทบายก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรก็เลยไม่ต้องปรุงแต่งเรื่องอาหารการกินะ เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอพอลืมตาแล้วต้องถือแล้วถ้าเราเริ่มปฏิบัตินี่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติก็คือการลืมตาขึ้นมาเพราะตื่นขึ้นมา อ, อวันนี้วันพระเราจะปฏิบัติธรรมเราจะเจริญสติเราจะฝึกสติเราต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยดูซิว่าความคิดกับเรากับพุทธโธอันไหนจะไวกว่ากัน อ๋อมันจะเริ่มคิดปั๊บพุทโธพุทโธพุทโธไปอันนี้วิธีหนึ่งถ้าไม่พุทโธก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในอิริยาบทไหนเลืมตาขึ้นมาก็ออกเลืมกำลังอยู่ในท่านอนก็ดูแล้วมันจะแล้วมันจะทำอะไรต่ออ๋อพราะเดี๋ยวมันจะต้องลุกแล้วอดูที่มันจะลุกเมื่อไหร่อะพอลุกก็ดูมันอ๋อตอนนี้ก็มันกำลังลุกขึ้นมาแล้วอ๋อมันจะจะยืนนะอ จะเดินนะจะไปเข้าห้องน้ำนะจะไปทำกิจในะห้องน้ำนะให้ดูให้เฝ้าดูทุกอิริยาบถนะ อย่ามันอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ไปทําอะไรมาไปมีปัญหากับใครไปเห็นอะไรน่ารักน่าชอบเดี๋ยววันนี้จะไปหามันอะไรอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่องราวต่างๆวันนี้จะขอหยุดคิดสักวันจะขอให้ทําใจให้ว่างให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กับร่างกายของเราเรากําลังอาบน้ําก็ ให้รู้ว่ากําลังอาบนะ้ํากําลังล้างหน้าแปลงฟันก็ให้รู้ในขณะที่เราทํานั้นเลยกําลังแปลงฟันก็รู้ว่าแปลงด้านไหนด้านบนด้านล่างด้านในด้านนอกมันแปลงอยู่ตรงไหนให้อยู่กับมันตรงนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ถ้าเป็นวันปฏิบททัติธรรมนี้เราไม่มีภารกิจอย่างองื่นต้องคิดถ้าเรา จะเอาจริงจังเราต้องเคลียร์งานให้หมดพอถึงวันพระวันที่เราจะปฏิบัติธรรมนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนนั้นคนนี้ตัดไปให้หมดวันนี้ขอเป็นวันเคลียร์เป็นวันล้างใจสักวันหนึ่งเป็นวันล้างความคิดไม่ต้องการให้มีความคิดโผล่ขึ้นมาเพราะเดี๋ยวถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันจะลากเราไปทานู่นทานี่ พอคิดถึงขนมเดี๋ยวมันก็ลากเราไปหาขนมนะคิดถึงกาแฟเดี๋ยวมันก็พาไปหากาแฟเดี๋ยวคิดถึงแฟนก็พาไปหาแฟนนะมันพมันไปด้วยความคิดเนี่ยมันจะไปนิสัยเดิมมันเป็นอย่างนี้มันจะหาความสุขจากสิ่งภายนอกมันไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากสิ่งภายในวิธีจะได้ความสุขจากสิ่งภายในต้องหยุด การหาความสุขจากสิ่งภายนอกหยุดด้วยศีลยังไม่พอหยุดด้วยศีนก็หยุดเ พ, ยเพียงร่างกายกับวาจาแต่ศีนนี้หยุดใจไม่ได้ใจยังคิดได้อยู่ยังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อยู่ถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันก็สั่งให้ร่างกายพาไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาคนนั้นคนนี้นั่นเองจึงต้องใช้ศีลเป็นตัวที่สาม ในการห้ามใจสองตัวแรกคือห้ามที่ปลายคือห้ามที่กายกับห้ามที่วาจาถ้าเกิดพังเผอควบคุมความคิดไม่ได้มันจะคิดไปไปดูหนังดูละครอก็มีศีลกันไว้บอกเอาไปไม่ได้วันนี้งดดูหนังดูละครคิดจะไปหาแฟนก็ไปไม่ได้วันนี้งดหาแฟนอยู่คนเดียวแต่ ถ้าให้ดีหยุดที่ต้นเลยดีกว่าหยุดที่ต้นเหตุเลยดีกว่าหยุดที่ความคิดเลยดีกว่าแล้วมันจะสบายใจกว่าเพราะถ้าไปหยุดที่สีนี้มันยังทำให้รู้สึกหงุดหงิดลำคานใจอยู่ใจยังอยากไปอยู่แต่ไปไม่ได้เดี๋ยวก็สองจิตสองใจว่าจะรักษาสีลดีหรือไม่ดีเดี๋ยวทำไปทำมาก็ไม่เอาดีกว่าไม่รักษาดีกว่าถ้าปล่อยให้มันคิดมากๆขึ้นเดี๋ยวมันเหมือนไฟ ไปเวลาจุดมันก็เป็นไฟกองเล็กๆพอปล่อยให้มันคิดบ่อยๆเข้ามากขึ้นมากขึ้นไฟก็ลุกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันร้อนใจจนทนไม่ไหวมันก็เลยสินขาดก็เรียกว่าตบะแตกอตาบะแตกเพราะไฟในใจไฟของความโลภความอยากมันโหมขึ้นมาจนทำให้ใจนี้ร้อนทรมานใจ จนในที่สุดก็ขอลาศีนกลับบ้านดีกว่าตอนต้นก็กะจะอยู่สักวันหนึ่งพอปล่อยให้คิดมากๆทนไม่ไหวตาบะแตกทนอยู่ไม่ได้ก็เลยขอลาศีนแสดงว่าวันนั้นถูกน็อกขึ้นเวทีก็ถูกคู่ต่อสู้น็อกนับแปะนับสิบเลยเพราะว่าไม่ต่อยตั้งแต่เวลาเริ่มขึ้นมา พอตื่นขึ้นมานี้พอขึ้นเวทีปับต้องเริ่มไล่คู่ต่อสู้เลยอย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้มาไล่เราอย่าปล่อยให้ความคิดมาไล่เราเนี่ยพวกที่บอกปฏิบัติเพื่อดูความคิดเนี่ยก็ถูกความคิดมันหลอกนะไปดูความคิดมันก็หลอกเราคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ไปแล้วในที่สุดก็หลอกให้เราไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยไม่รู้สึกตัวเรายังคิดว่าตัวเองกาลังดู้ยังดูจิตอยู่ยังควบคุมจิตอยู่ ควบคุมอะไรถูกมันหลอกจิตมันหลอกให้พาไปนู่นไปนี่ก็ไปกับมันเนี่ยเราต้องรู้ว่าการดูจิตนี่มันดูอย่างไรดูเพื่อหยุดคิดดูเพื่อไม่ให้มันคิดนะแล้วก็ดูเพื่อไม่ให้มันหลอกให้เราพาเราไปทำนู่นทานี่ถ้ามันหลอกให้เราไปทำนู่นทานี่เราก็มีศีลมีข้อห้ามไปไม่ได้ ถ้าไปอยู่วัดปฏิบัตินอกจากศีลแล้วยังห้ามอย่างอื่นอีกกิจที่ไม่จำเป็นจะต้องทำก็ไม่ให้ทำอีกเนี่ยบางทีถือศีลแปดยังไม่ห้ามทำกับข้าวไม่ห้ามทำดอกไม้ไปทำดอกไม้ไปจัดดอกไม้ไปเตรียมทำกับข้าวอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องนอกเรื่องอีกละบางทีมันอยู่เฉยๆมันมันอยู่ไม่ได้พอใจคิดอยากจะทา น, น, นู่นทานี่ ถึงแม้มันจะเป็นบุญเป็นกุศลในระดับทานก็ตามแต่มันไม่เป็นบุญเป็นกุศลในระดับสมาธิเพราะมันจะพาให้เราแทนที่ไปนั่งสมาธิพาเราไปเตรียมทำกับข้าวไปหั่นผักหัน่นหั่นอะไรต่างๆหรือไปจัดดอกมงดอกไม้อะไรต่างๆแทนอันนี้ต้องไปอยู่สำนักที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้กลนของกิเลส แล้วท่านจะคอยกันไว้ไม่ให้ถูกกิเลสมาหลอกไปไม่ให้ทําอะไรเลยถ้าเป็นสํานักปฏิบัติให้ไปเข้าทางจงกรม <c oughs> ให้ไปอยู่ที่กุฏิไม่ต้องมายุ่งที่ศาลาไม่ต้องมายุ่งที่โรงครัวะไปเก็บตัวอยู่คนเดียวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปควบคุมความคิดต่างๆเรียกว่าไปปีกวิเวกไปอินทรีย์สังวระ เห่หมุมดบางสำนักนี้เขามีห้องให้อยู่ให้เก็บอารมณ์นะไปอยู่คนเดียวไม่ต้องออกมาไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องมาขึ้นศาลาถึงเวลาเขาจะส่งอาหารไปให้ที่กุฏิที่พักเลยให้กินในที่พักเหมือนถูกขังในคุกนั่นแหละล้วก็จะได้ไม่จะได้อย่างน้อยมีกำแพงกันถึงแม้จะคิดจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไปไม่ได้ เพราะไม่ห้ามเพอะห้ามไม่ให้ไปนอกจากว่าถ้ามันจะระเบิดจริงๆก็ขอลากลับบ้านนะทนไม่ไหวจริงๆก็ขอลากลับบ้านก็แสดงว่าถูกน็อกสู้ความคิดของกิเลสไม่ได้ถูกกิเลสจัดการเรียบไปหมดถ้าชนะความคิดของกิเลสได้กิเลสสงบตัวก็จะได้ความสงบ ได้ความสุขที่ทำให้ไม่อยากจะไปไหนแล้วทีนี้จะติดอยู่คนเดียวแล้วถ้าทำใจให้สงบได้นี่ทีนี้ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครวะพะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องมาปวดหัวกับเรื่องของเขาเนี่ยเดี๋ยวคุยกันเขาก็มีแต่เรื่องปวดหัวมาให้เราฟังเลเรื่องดีๆเขาไม่มาเล่าให้เราฟังหมีแต่เรื่องปรับทุกข์เท่านั้นเรื่องมันก็เรื่องดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ นินทากาเลเหมือนเทน้ำํำไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทําให้ใจฟุง้งซ่านทําให้เราโกรธตามเข้าไปด้วยซ้ำไปทําให้เราโกรธเราเกลียดตามเข้าไปอีก ท, ท, ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อน้คนนั้นก็เลยกลายเป็นคนเราลังเกียดไปโดยอัตโนมัติไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เมื่อเขามาเล่าให้ฟังเราเชื่อเขาเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริง นี่แหละปัญหาของการไม่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้เพราะไม่มีสติไม่รู้จักวิธีฝึกสติน้วิธีฝึกสตินี่แหละก็พอลืมตาขึ้นมาถ้าไม่เริ่มพุทโธก็ต้องเริ่มดูที่ร่างกายเลยว่าตอนนี้น่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนกำลังอยู่ในท่านอนหรือท่านอนแล้วต่อไปจะทาอะไรจะต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้าใช่ไหมอา้าว จากท่านอนก็เปลี่ยนมาเป็นท่านั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วจากท่านั่งก็ลุกขึ้นมาเดามายืนแล้วจากท่ายืนก็เดินนะเดินก็ดูไปทีละก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาไปเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรต่างๆที่ต้องทำก็อยู่กับกิจภารกิจอั่นั้นหรือถ้าไม่ไม่ไม่มันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุโทโธช่วย อาบน้ำไปมันยังแอบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธดึงกลับมาพุทโธพุทโธไปควบคู่กับการอาบน้ำด้วยก็ได้อย่างนี้เรียกว่าใช้สติสองชั้นใช้การเฝ้าดูล่างกายชั้นหนึ่งแล้วยังขาดได้สติยังขาดได้ก็เอาชั้นที่สองมาเอาเชือกเส้นที่สองมามัดใจไว้คือใช้คาบริกรรมพุทโธกากับไปด้วยเป็นสองชั้น อันนี้ต้องตั้งใจทำต้องตั้งสัจจาธิฐานถึงจะทำได้นะถ้าไม่ตั้งสัจจานิฐานนี่มันมันไม่คิดที่จะทำเพราะมันไม่เคยทำการทำแบบนี้เชื่อไหมเราเชื่อว่าญาติโยมไม่เคยทำกันมาก่อนไม่เคยคิดที่จะทำกันมาก่อนเพราะไม่รูุ้ประโยชน์ของมันว่าจะได้อะไรจากการกระทำแบบนี้จะได้ดีกว่าได้เงินทอง ดีกว่าได้ตำแหน่งได้ยศ ด, ดีกว่าได้รางวัลอะไรต่างๆดีกว่าได้ไปเที่ยวที่นั้นที่นี่เพราะเราจะได้ความสงบ เ, เราจะได้นัตติสันติพลังสุขขังได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะได้ก็ต้องเกิดจากการเจริญสติแบบนี้ น, นั่นเองสติแบบที่ไม่ขาดไม่เผลอเอาตั้งแต่ขึ้นเวทีเลย ตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลยจนถึงเวลาหลับเลยเวลาหลับนนะถือว่าเราเร า, เร า, เราลงจากเวทีจากเวทีต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเราคือกิเลสตัณหาแล้วถ้านอกนั้นแล้วพอเตื่นแล้วนี่เป็นเวลาที่กิเลสตัณหามันออกมาเพ่นพ่านตลอดเวลาเราต้องคอยกำจัดมันต้องคอยทำลายมันด้วยการเจริญสติพุทธโธ ด้วยการเฝ้าดูว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่แต่ไม่ต้องทําแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติบางอย่างบางสํานักเขาสอนให้ยกขาขึ้นยกหนอะก้าวเนาะวางหนออะ น, นี่มันมันไม่เป็นธรรมชาติมันจำมันไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าสติเราวัยกับร่างกายเยอะแยะใจของเราไวกว่าร่างกายเยอะแยะ เพียแต่รู้ว่ากําลังยกแขนยกขากาลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้ า, าขวานี้ก็ใช้ได้แล้วกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากําลังจะพูดอะไรกําลังจะทําอะไรขอให้มีสติคอยเฝ้าให้ดูอยู่กับมันเท่านี้ก็พอแล้วคนบางคนเห็นเขาทําเดินตรงกลมแบบยกยกหนอก้าวน อ, นอวางนอเขาว่าอันนี้มันเดินไม่เป็นหรือไงกําลังมาหัดเดินอยู่หรือไง ไม่จำเป็นจะต้องเดินช้าแบบนั้นหรอกเดินธรรมดาเนี่ยเดินปกติเดินเหมือนตอนที่าพาบินธบาตก็เดินปกติแล้วก็คอยดูร่างกายว่ามันกำลังเดินอย่าให้มันไปที่อื่นเท่านั้นเองให้มันรู้ว่ากำลังเดินแล้วดูว่าข้างหน้าที่เดินมีอะไรบ้างมีหินมีหลุมมีบ่อมีอะไรกรีดขวางด้วยไม่ใช่ดูที่เท้าอย่างเดียวแล้วก็เวลาเจอ หลุมเจอบ่อก็เหยียบมันลงไปตกหลุมตกบอก่อมันก็ต้องมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยมองที่เท้าด้วยแต่ไม่ควรไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปควรคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาแม้แต่จะเป็นเพียงแค่วินาทีที่ผ่านมาก็ไม่ให้คิดแล้วมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้คนนั้นใส่บาตนไม่ต้องไปคิดแล้วเขาเป็นใครผ่านมาแล้ว ไปอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอนาคตว่าข้างหน้าใครกําลังจะรอใส่บาทรอยู่ให้อยู่กับปัจจุบันเพกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะความจริงมันอยู่ที่ปัจจุบันอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเหมือนหลวงพ่อคนหนึ่งท่านบอกว่าเราไม่มีอนาคตเนี่ยเราไม่เคยไปถึงอนาคตสัที เพราเราอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยจิตเราอยู่แค่ปัจจุบันมีแต่อนาคตมันมาหาเรา <laughs> เราไม่ไปหามันเนี่ยเดี๋ยวความแก่มันก็มาหาเราเดี๋ยวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาเราเราไม่ต้องไปหามันหรอถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวมันจะมาหาเราแล้วพอมันมาปุ๊บมันก็ไปปั๊บทันทีเลยใช่ไหมพอมันมาปุ๊บมันไปแล้วพอคนพูดอะไรเสร็จปับ๊บไปแล้วหายไปแล้วคำพูดนั้นหายไปแล้ว ถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วมันไม่ยึดไม่ติดกับอะไรนะอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปเพราะรู้ว่ามันมันมันผ่านไปแล้วมันมาแล้วมันก็ไปแล้วถ้ามันมาหลายรอบก็ปล่อยมันมาหลายรอบไปบางทีมาหลายหลมาเป็นขบวนเช่นเวลานั่งแล้วมันเจ็บนี่มันไม่ใช่เจ็บแค่วินาทีนั้นก็ไปมันเจ็บเป็นสิบนาทียี่สิบนาที ก็ไปมันเจ็บไปก็รู้ว่ามันมาเป็นขบวนไป เ, เดี๋ยวขบวนมันก็ต้องจบลงไม่ช้าก็เล้วเหมือนรถไฟไหมรถไฟบางขบวนเวลาเรานั่งอยู่ที่สถานีรถไฟด้วยรถไฟวิ่งผ่านมาบางขบวนก็สั้นมีแค่สองสามคันบาง ข, บ, างขบวนก็มีหัวอันเดียวบางฮวนก็ยาวมีทั้งตู้ตู้ตู้บรรทุกของ อะมีตู้ถังน้ํามันเนี่ยรถพวกนี้ยาวนั่งรอเห็นไหมเวลาที่เราไปติดด่านรถไฟนะบางทีนั่งแล้วก็อยากจะให้มันมาเร็วๆไปเร็วๆเนี่ยไม่ได้ถ้าปฏิบัติอยากไปอยากปล่อยมันมาของมันปล่อยมันไปของมันเอีเพราะอยากมันจะทําให้ใจเครียดทําให้ใจทุกข์เนี่ยถ้ารู้เฉยๆแล้วจะไม่เครียดจะไม่ทุกข์มันจะยาวเท่าไหร่ก็ปล่อยมันยาวไปก็ดูมันไปมันจะสั้นก็ดูมันไป อันนี้คือวิธีการจเจริญสติเพื่อให้ใจเราตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เพื่อให้ใจเราตัดความอยากต่างๆออกไปให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงถ้าใจมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเป็นสมาธิอยู่ในความสงบแล้วความรักชังกลัวหลงมันจะไม่เกิดเห็นอะไรก็จะเฉย จะไม่รักจะไม่ชังจะไม่กลัวไม่หลงเห็นงูก็เฉยเฉยก็เห็นเฉยเฉยไปงูก็เป็นงูไปก็รู้ว่ามันเป็นงูเราอยู่เฉยเฉยก็ดูมันไปเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่สงบนี่เห็นตุ๊กแกตุ๊กแกหล่นลงมาก็กระโดดกันนะพอใจไม่ไม่ไม่ไม่มีสติใจไม่นิ่งใจไม่ตั้งอยู่ในความสงบ ใจเลย เ, เป็นใจแบบที่เหมือนกระต่ายตื่นตูม เ, เห็นไหมพอนอนอยู่ใต้ต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาใกล้ศีรษะก็คิดว่าแผ่นดินถล่มกระโดดวิ่งหนีสุดชีวิตเลยศาสตร์อื่นเห็นข้าวกระถามว่าเป็นอะไรวะมันก็บอกอแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวเหมือนตุรกีตอนนี้แผ่นดินไหวคนตายสามสิบมั้งคนเจ็บเป็นพัน นี่กระโน้นกันกระตายตื่นตัวไม่มีสติแต่ถ้ามีสติก็ก่อนจะไปก็ดูก่อนมันเป็นอะไรอตรวจตาดูสักนิดก่อนอะไรทําให้มันมันเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเป็นแผ่นดินไหวหรือเป็นอะไรเนี่ยจนต้องไปเจอราชสีราชสีถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่าแผ่นดินไหว ราชศรีว่าพาไปดูหน่อยสิความกลัวราชาสีมากกว่ากลัวแผ่นดินไหวเลยต้องประกบอ <laughs> พอกลับไปไหนตรงไหนมันไหวตรงนั้นมันมันไหวตรงไหนตรงเนี้ยตรงให้ลูกตาลเนี <laughs> ่ยก็เอาไห้ลูกตาลมั น, นตกลงมามันก็ส่งเสียงดังเลยนั่นแหละเห็นไหมราชาสีนี่คือสติปัญญาผู้มีสติมีปัญญามีสติก็คือไม่ตื่นตระหนก หลักแต่ว่ารู้เรียกว่ามีสติแล้วปัญญาก็เป็นผู้ค้นหาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าปัญญาสติปัญญาเนเบื้องต้นเราต้องฝึกสติก่อนเพื่อให้จิตใจของเราตั้งมั่นไม่ตื่นตะนกเพราะถ้าตื่นตะนกแล้วคิดด้วยเหตุผลไม่ได้ คิดคนนคาหาความจริงไม่ได้ทำไมก็ตายมันไม่กล้าคิดเลยเพราะมันคิดว่าแผ่นดินถลม่มท่านั้นมันไปแล้วมันไม่ยอมคิดว่าถล่มจริงแล้วไม่ถล่มจริง แต่ถ้ามีสติถ้าสมมติกำลตายตอนนั้นมีสติมีสมาธิอยู่เวลาอะไรหล่นลงมาตุ๊บมันก็ต้องดูก่อนแล้ว่าเป็นอะไรวะไม่ใช่พ อ, อไรตุ๊บใจคิดว่าเป็นผีก็โกยเลยคนที่ไปนั่งสมาธิยังไม่มีสมาธินี่พอได้ยินเสียงกุกกะกุกเกบหน่อยก็เดี๋ยวก็วิ่งหนีละแต่คนที่มีสมาธิจะไม่ไปคนที่ไม่มีสมาธิมีสติจะอ่ะ ทำใจก้าๆหน่อยดูว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมีเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องคนพระรูปหนึ่งท่านก็ไปนั่งสมาธิในป่าชาในป่าชาที่เขาเผาศพแล้วศพเขาเศษกระดูกกระดูกก็เกื่อนในป่าช้าเนี่ยท่านก็ไปนั่งสมาธิคนเดียวแล้วนั่งไปสักพักท่านได้ยินเสียงกุกกักกุกกักขึ้นมาใจาท่านก็ไม่ค่อยดีแล้วสิเฮ้เป็นอะไรวะแต่อาศัยที่ท่านมีสติมีสมาธิ ท่านก็ไม่โกยไม่หนีแล้วก็พยายามทำใจกล้าก้าว่ามานี่เพื่อมาพิสูจน์ความกล้าหาญของจิตใจคิดว่ายัางไงสักวันยังก็ต้องตายาถ้าวันนี้ถึงเวลาจะตายก็ให้มันตายแต่อยากจะขอให้รู้รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรก็เลยทำใจกล้าบังคับให้พาร่างกายไปดูไปอยู่ที่ดูที่ว่าเสียงนั้นเป็นอะไร พอไปถึงที่เสียงใชไ้ไฟดูอ่ะเป็นหมาแท้ ก, กระดูกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็คิดว่าคงไม่กล้าไปเพราะเพียงแต่คิดถึงผีก็กลัวแล้วยังไม่ทันเห็นผีเลยแต่คนที่มีสติอยากจะไปเพราะอะไรเพราะอยากจะไปพิสูจน์ว่าสติของตอนนี้มั่นคงหรือไม่ปัญญาของตอนนี้ มั่นคงหรือไม่เห็นตายรักในร่างกายหรือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายหรือไม่เห็นว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันจะต้องตายไปแต่เอยากจะไปพิสูจน์ว่ายังกลัวตายหรือไม่กลัวตายะพวกที่เขามีสติมีสมาธิและขั้นต่อไปเขาอยากจะไปพิสูจน์ขั้นปัญญาว่ากลัวตายหรือไม่ การพิจารณานี่เป็นการทําการบ้านเนี่ยที่สอนให้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาโล่งพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้ยังเป็นเพียงทําการบ้านอยู่ยังไม่ได้เป็นทําข้อสอบเรารู้ว่าเรายอมเรารู้ว่าตายแล้วบางทีบางคนก็คิดว่าเออถึงเวลาตายก็ยอมตายวาะก็คิดได้แต่มันเป็นความคิดอ่ะมันยังไม่รู้ว่าเวลาเป็นจริงมันมันทําได้หรือเปล่า อะไต้องไปเข้าห้องสอบถึงจะรู้จริงเนี่ยคนที่บรรลุโสโดาดด้วยความคิดก็คิดแบบนี้ฮคิดว่าเออร่างกายเป็นตายรักเป็นอนิจจงทุกขังหนาตาเดี๋ยวก็ต้องตายตอนนี้ยอมตะยอมรับตายก็ตายเจ็บก็เจ็บก็คิดได้พูดได้แต่ทําได้หรือเปล่าทําใจได้หรือเปล่าเวลาที่ไปเจอของจริงเข้าเนี่ยถ้าอยากจะรู้ก็อะไก็ต้องไปพิสูจน์ดิเพราะเราสามารถพิสูจน์ได้ ความเจ็บก็นั่งสมาธิไปให้มันเจ็บซิให้มันเจ็บแล้วคิดว่าตอนนี้กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเป็นไข้เป็นยังไงยิ่งตอนนี้มีโรคไข้ไข้ระบาดเนี้ยถ้ามันเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดไข้รุนแรงะแต่ทําให้มีอาการเจ็บปวดรวดนแล้วทั้งตัวเนี้ยก็นั่งสมาธิไปดูว่าเราอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้หรือไม่ ถ้าอยู่ได้เราต่อไปล้วก็ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีโรคร้ายขนาดไหนก็สบายก็อยู่กับมันได้มาแล้วนั่งสมาธิผ่านความเจ็บมาได้แล้วไม่เดือดร้อนให้มันเกิดขึ้นเองให้มันดับไปเองไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ดับก็อยู่กับมันไปต้องเข้าห้องสอบถึงจะรู้ว่าทำได้หรือเปล่าคิดได้พูดได้นะ เอาให้แก่แล้วลวนเดี๋ยวเราต้องแก่ยอมแก่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวหนังหิวขึ้นมาไปทําสวยหรือเปล่าเดี๋ยวผมหงอกขึ้นมาไปย้อมหรือเปล่าบางคนก็หลอกตัวเองว่าทําได้แต่ในฐานะที่ต้องปวดคนอื่นเลยต้องไปทําหล่าออตัวเองอีกเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ชอบเลยต้องต้องไปทําสวยให้คนอื่นที่เขาชอบเราเขาจะชอบเราต่อถ้าไม่ทําแล้วเขาจะไม่ชอบเรา หลอกไปอีกความจริงก็อยากจะทำแล้วกลัวเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบแล้วเขาจะทิ้งเรา <c oughs> <c oughs> เนี่ยบางทีกิเลสมันหลอกเขาเนะ่ถ้าลองใช้ความคิดเป็นการบรรลุธรรมนะมันก็คิดหลอกไปได้มันหลายหลายสารพันคมนะวิธีการคิดของกิเลสเนี่ยแต่เราไม่ทันเลขกลดของมันก็ถูกมันหลอกไปกินมดบรรลุด้วยกิเลสเลขาเรียกบรรลุด้วยกิเลส บรรลุด้วยความคิดของกิเลสกิเลสชอบบรรลุอย่างนี้เพราะกิเลสไม่ตายกิเลสไม่ชอบบรรลุแบบที่กิเลสตาย <c oughs> คือความกลัวตายหายไปความกลัวเจ็บหายไปความกลัวความแก่หายไปกิเลสไม่ชอบบรรลุแบบนี้เพราะกิเลสมันต้องตายกิเลสมันชอบบรรลุแบบว่าความกลัว ความแก่ยังไม่หายความกลัวความเจ็บความตายยังอยู่ต่อไปแต่เพียงยังไม่แสดงอาการเพราะยังไม่เจอของจริงนั่นเองงั้นอย่าประมาทนะอย่าไปคิดว่าอเราเข้าใจตายรักแล้วนะเราเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟนะอันนี้เป็นเพียงเข้าใจตามตามความคิดเท่านั้นยังไม่เป็นความจริงนะ ความจริงเวลาเจอความเจ็บปวดของร่างกายนี่เป็นไงใจเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่เจ็บหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหนังมือไปกลายเป็นคนหงุดหงิดลำคาอารมณ์เสียขึ้นมาไปอันนี้ก็แสดงว่าโดนอำนาจของกิเลสมันมันมั น, ม, นมันสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจนะต้องใช้ การพิสูจน์ต้องเข้าห้องสอบถ้เบื้องต้นถ้ายัางไม่พร้อมก็ต้องเตรียมตัวสอบก่อนเครื่องมือที่จะต้องมีก็คือสตินี่ถ้ายัางไม่มีสติอย่าไปถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิอย่าไปเข้าห้องสอบทางปัญญาเดี๋ยวมันจะสอบตกนะอย่างมีเรื่องนิทานมีพารูปหนึ่งท่านก็อยากจะไปทดสอบว่าท่านกลัวตายหรือไม่ท่านก็ไปหาที่ที่เขาว่ามีเสือดุ ท่านจะไปปากกดอยู่คนเดียวชาวบ้านก็บอกว่าท่านอย่าไปนะสวยนี่ถูจริงๆนะแต่ว <laughs> ่าอเอยเราไม่กลัวชาวบ้านาอย่างนั้นชาวบ้านก็พาไปหาที่ปากกดอยู่ท่านก็ไปเดินจงกรมนั่งภาวน า, อาพอตกข้าขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเริ่มคำรา ม, มาสลยตอนต้นก็อยู่ไกลใจก็เริ่มพุทโธพุทโธคอยควบคุมความกลั ว, ว, ว, วอยู่ พอเสียงเสือมันใกล้เ ข, าาข้ามาใกข้เข้ามานี่มันทนไม่ไหวมันในที่สุดก็ต้องกอยหนีเข้าหาชาวบ้านเวลาไปถึงชาวบ้านชาวบ้านถามว่าเป็นอะไรว่าเสือเสือเสือนั่นแหละแสดงว่าสติยังไม่พร้อมสติปัญญายังไม่พร้อมจิตยังไม่สงบยังไม่นิ่งยังไม่เป็นอุเบกขา ยังไม่สามารถคิดได้ด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายถึงเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตายอยู่ในปา่าอยู่อยู่กับเสือก็ตายได้อยู่ในวังมีนอปอคอยคุ้มครองนักษาก็ตายได้ความตายมันไม่ได้มีอะไรถึงเวลามันจะตายไม่มีใครมาห้ามได้ไม่มีใครมาป้องกันได้ งนั้นต้องยอมรับถ้าเวลานี้ถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายถ้าไปเจอเสือถ้าเสือมันมันจ ะ, จะมากัดก็ยอมให้มันกัดตายไปแต่คนที่มีสติไม่ไมตายงัย้นหลวงปู่ชอบนี่ท่านก็ชอบเดินหาเสือเหมือนกันท่านชอบเดินทุ ด, ดงตอนกลางคืนถือว่าเป็นการเดินจงกรมท่านมีคมไฟจุดด้วยเทียน แล้วก็เดินไปแต่เดินท่านเดินด้วยมีสติดูทุกอย่างก้าวมีสติมีพุทโธมีการคอยควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าเดินไปสักพักหนึ่งไปเจ้าเอกับเสือโค่งเดินมาสวนทางกันพอเห็นปั๊บตอนนั้นจิตมันก็วุบเข้าไปในสมาธิเลยพอวุบเข้าไปจิตรวมปับ๊บร่างกายหายไปเสือหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสัแต่วาร้ ไม่รับรู้เรื่องเสือไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไม่รู้ว่าอยู่นานเท่าไหร่ท่านบอกในสมาธินั้นพอจิตถอนออกมาทีเทียนที่จิตไว้ในโคงไฟนี้ดับไปหมดแล้วแต่ท่านก็ยังยืนอยู่ในท่าเดิมอยู่ในท่าที่ท่านจ้าเอกับเสือถือคมไฟอยู่แต่เสือเสือก็หายไปหมดเนี่ยถ้าคนมีสติมีเนี่ยท่านจะกล้าไปเจอกับสิ่งเหล่านี้ เราจะทำให้ท่านไม่กลัวไม่มีความหวั่นไหวต่อไปว่าอย่างมากก็ตายที่ถ้าจะตายก็ร่างกายท่านั้นที่ตายเนื้อง่ายมันตายทุกที่อยู่บ้านก็ตายได้ไม่ต้องไปอยู่ในป่ามันก็ตายแต่ใจไม่ตายใจปลอดภัยใจถ้ามีสติมีสมาธิใจนิ่งสงบไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนหลังจากนั้นแล้วไม่กลัวอยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันกลัวตาย นี่คือนิทานต่างๆที่เอามาผสมภาษสานในวันนี้เพื่อสอนให้เราเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการที่เรามาพึ่งตนเองพึ่งตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมศึกษาแนวทางของการปฏิบัติคือหนึ่งรักษาศีลเพื่อระ ง, งับการหาความสุขแบบรูปเก่าระ ง, งับพึ่งสิ่งต่างๆที่เคยพึ่งอยู่ เคยพึ่งร่างกายก็อยากไปพึ่งมันเคยพึ่งลาบยศสรอเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยากไปพึ่งมันใช้ศีลเป็นตัวบังคับตัวห้าม พอถือศีลแล้วก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้แม้แต่กินอาหารก็ไม่ให้กินเพื่อหาความสุขให้กินเพื่อเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินแค่เที่ยงวันก็พออกินแค่มื้อเดียวก็พอสําหรับผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ไปดูหนังฟังเพลงร้องลําทําเพลงเสริมสวยความงามไม่นอนบนเตียงหนาหนา เยงใหญ่ๆฟูกหนาๆเพราะจะนอนมากเกินไปเพราะมันสบายนอนบนพื้นแข็งๆมันไม่สบายพอร่างกายมันพักผ่อนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่อยากจะนั่งต่อไปมันก็จะลุกขึ้นมารีบเดินจมกรมเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิให้ได้เพราะสมาธินี่นะเป็นกําลังของจิต เป็นแหล่งของความสุขของจิตพอจิตสงบมีสมาธิแล้วมีความสุขไม่ต้องไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทีนี้ก็มาลองละร่างกายได้ถ้ามีสมาธิแล้วดูซิว่าเราเลิกพึ่งร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายได้หรือเปล่าก็ามานั่งให้มันเจ็บแบบไม่ต้องเข้าสมาธินั่งให้มันเจ็บมันปวดเราก็ใช้สติใช้ปัญญามารักษา ใจให้สงบให้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาห้ามมันไม่ได้เวลามันจะมาไล่มันไปไม่ได้เวลามันจะไปดึงมันไว้ไม่ได้เช่นสุขเวทนามันจะไปก็ดึงมันมะดึงมันไว้ไม่ได้ทุกเวทนามันมาจะห้ามมันก็ไม่ได้เพราะมันสลับกันมาเหมือนเดินพาเละ เดี๋ยวคิวของสุขก็เวทนาก็มาเดี๋ยวคิวของทุกข์กเวทนาก็มาเดี๋ยวก็คิวของไม่สุขไม่ทุกข์มันสลับกันไปสลับกันมาก็ปล่อยมันเดินพเลิตไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันอยู่เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปแก้เวลาทุกข์ก็ไม่ต้องไปแก้เวลาสุขก็ไม่ต้องไปวิ่งตามหามันเวลามันไปเนี่ ไปมันไปแคให้มันไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ทุกมันมาเดี๋ยวมันก็ไปให้คิดอย่างนี้ไม่มีอะไรอยู่กับที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันทําไมเราไม่ต้องไล่ดินฟ้าอากาศเพระเรารู้ว่าเราไล่มันไม่ได้ไล่ให้มันไปก็ไม่ได้ไล่ตามมันก็ไม่ได้นอกจากคนรวยเขาทําได้เขามีที่อยู่สามฤดูแบบเจ้าชายสิทธัตถะ ถ้าที่นี่ร้อนก็ย้ายไปหาที่ที่มันเย็นแต่อันนี้มันก็เหนื่อยครับต้องวิ่งไป <c oughs> วิ่งมาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ก็ลํำบากยากเย็นแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินที่จะย้ายก็ไปไม่ได้ก็จะเดือดร้อนขึ้นมาอีกดนวิธีที่ดีสุดก็ไม่ต้องไปไล่ตามเหมือนไม่ต้องไปวิ่งหนีเหมันอยู่เฉยๆอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญาท่านั้นแหละแล้วต่อไปความเจ็บปวดของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจ ใจอยู่กับมันได้ความตายก็เหมือนกันความตายก็ต้องไปหาที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายดูแล้วดูซิว่ายอมตายได้หรือไม่ถ้ายอมไม่มันตายามันจะตายตอนนี้ให้มันตายจะไม่หนีจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นปล่อยวางอย่างเดียวพอทำได้แล้วทีนี้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บติดต่อไปใจโล่งสบายไม่กังวล กับเรื่องของร่างกายต่อไปนี่คือวิธีการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสให้ความสุขเพราะมีความสงบที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะทำสมาธิเป็นทำจิตให้นิ่งให้สงบเป็นปล่อยวางได้จิตก็สงบได้มีความสุขได้ เป็นที่พึ่งของตนต่อไปไม่ต้องพึ่งอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีราบยศ ส, สรรเสญเป็นที่พึ่งไม่ใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งท่านมีมีความสงบเป็นที่พึ่งความสงบที่ถาวรเรียกว่าพระนิพพานความสงบระดับสมาธินี้ยังเป็นแบบชั่วคราวอยู่ยังต้องสร้างให้มันเป็นถาวรด้วยการเจริญปัญญาเพื่อทาลาย กิเลสที่มาสร้างความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจพอกิเลส ถ, ถูกทำลายด้วยปัญญาให้หมดไปจากใจแล้วทีนี้ความสงบก็จะเป็นความสงบแบบถาวร <c oughs> เป็นปรมังสุ g k ขังเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยจิตของพระพุทธเจ้าตอนนี้กับตอนที่ท่านบรรลุในวันเพ็ญเดือนห ก, ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นบาลมมสุข จิตของพวกเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เป็นไงขึ้นๆลงๆสามวันดีสี่วันไข้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันเราไปพึ่งสิ่งที่มันเป็นสามวันดีสี่วันไข้ไปพึ่งคนนั้นวันไหนเขาดีก็มีความสุข วันไหนเขาไม่ไม่ดีก็มีความทุกข์ตามมาไปพึ่งสิ่งไหนที่มันวันไหนมันดีก็มีความสุขพอวันไหนมันไม่ดีก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจิตเราไปพึ่งของที่มันขึ้นขึ้นลงลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมันเลยทําให้ความสุขของเราขึ้นขึ้นลงๆสลับกับความทุกข์ขึ้นขึ้นลงๆไปถ้าเราเลิกหาความสุขแบบนี้แล้วมาหาความสุขจากสติจากปัญญาแล้วเราจะได้ความสุขแบบที่แน่นอนที่ถาวร ที่จะไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือความสุขของพานิพานที่จะตามมาต่อไปนี่แหละคือที่พึ่งของพวกเราคือพานิพานนี่เองคือความสุขที่เป็นบรล ม, มสุขก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง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 สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลัง ช่วงต่อไปก็ เ, เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวพอหลังจากที่เลิกแล้วก็จะต้องไปทำงานอย่างอื่นต่อไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็ขอเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา530ย t u b บ350วิทยุออนไลน์30รับฟังข้างบนนี้32คนรวมทั้งหมด942ครับถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณคุณเพชรอํานาจจิตที่อยู่เหนือธรรมชาติแต่ง แตกต่างกับจิตใต้สานึกอย่างไรครับไม่ไม่รู้พูดเรื่อพูดเรื่องถูกความจริงเรือเปล่าจิตมันไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติจิตมันไม่ยุ่งกับธรรมชาติเท่านั้นเองธรรมชาติก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเขาจิตก็อยู่ตามตามเรื่องของจิตไปยันจะเรียกว่าจิตอยู่เหนือธรรมชาตินี้มันเพิ่งได้ยินวันนี้แหละส่วนจิตใต้สานึกหรอ มันก็จิตตัวเดียวกันเนี่ยจิตนี้มันมีของที่อยู่ใต้สามัญสานึกของเราคือความจาที่ลึกอยู่ในใจของเราสิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาต่างๆนี้มันก็อยู่อยู่ภายใต้จิตปัจจุบันนี้จิตปัจจุบันเราก็จะจำได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ใกลๆ้ๆปัจจุบันอดีตที่มันไกลออกไปนี้มันก็ จำไม่ได้มันก็เลยถือว่าเป็นจิตได้สำนึกไปออคำถามจากคุณขันห้าธรรมะทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งที่มีชีวิตและจากไปแล้วฟังและพิจารณาตามสรุปพอเข้าใจและเห็นผลที่จะได้รับต่อไปในภายภาคหน้าทาบางอย่างมีความรู้สึกว่าคารวาะยากที่จะทำ เพราะว่ามีเรื่องของทางโลกผ่านมาในจิตยังถือว่าเขาคนนั้นปัญญายังไม่พอบารมียังไม่พอใช่หรือไม่ครับที่ยังเป็นคารวาะอยู่ยิ่งทำที่เกี่ยวกับเรื่องกามที่เป็นกิเลสตัวที่หนักที่สุดในจิตใจสามารถจะทําให้หายไปได้อย่างไรครับก็ท้องเพิ่มทําให้มากมีกำลังมากขึ้น จิตนี้เหมือนกับลูกฟุตบอลนะที่มีสองฝ่ายแย่งกันเตะฝ่ายไหนที่เก่งกว่าเขาก็สามารถควบคุมลูกได้มากกว่าสามารถพาลูกยิงเข้าประตูได้มากกว่าดังนั้นฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าก็จะไม่ได้จิตมาเป็นอยู่ภายใต้ควบคุมถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่ากิเลสก็จะดึงจิตให้ไป ใช้ชีวิตของคารวาสถ้าธรรมะมีกำลังมากกว่าธรรมะก็จะเดิงจิตไปใช้ชีวิตของนักบวชนะคำถามจากคุณนพครั้งหนึ่งนั่งสมาธิรู้สึกว่ามีจังหวะหนึ่งคล้ายๆกับลงลิฟต์ค่อยๆเลื่อนลงและรู้สึกเบาสบายแต่ร่างกายยังรู้สึกลมหายใจเข้าออกจากนั้น ก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากทราบว่าแบบนี้มันคือความอยากรู้อยากเห็นเป็นความโลภหรือความหลงไหมครับก็ไม่ควรจะมีถ้าเวลาเรานั่งสมาธิอย่าให้เกิดความอยากอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับการภาวนาของเราถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปผลอะไรเกิดขึ้นมาก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอย่าไปอยากอย่าไปติดตาม ให้กลับมาดูที่อยู่ที่การภาวนาต่อดูลมก็ดูลมต่อไปพุทโธก็พุทโธต่อไปเพราะวจิตบางทีมันสงบเป็นขั้นๆมันไม่ได้เป็นแบบพรวดพลาดมันมีสงบแบบสองอย่างสงบแบบพรวดพลาดนี่แบบตกจากที่สูงลงมาี่สู่ที่ต่ำสงบแบบเป็นขั้นๆก็ลงมาทีละขั้นวุบลงมา เลื่นลงมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยเห็นถ้ามันยังไม่ถึงถึงฐานของมันเราก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆเพิ่มให้มันจะได้เลื่อนลงมาสงบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับไม่ต้องไปอยากขอมงนี้อยากไม่ได้นอยากก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดจากความอยากเกิดจากการภาวนาเกิดจากการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธเนี คำถามจากคุณภัยเวลานั่งสมาธิจิตสงบพอมีเสียงดังต้องสะดุ้งและตกใจมากจิตของเราจะตกใจไหมครับตกใจก็รู้ว่ามันตกใจมันก็เป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งนั่นเองมันตกใจแล้วมันก็ผ่านไปถ้ามีสติเราก็ทํา ง, งานของเราต่อไปพุทโตต่อไปดูลมต่อไปคําถามจากผู้ฝากถามจะทําบุญอะไรให้กับ พ่อที่ตายไปแล้วเพราะตอนที่พ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยทำบุญดื่มแต่เหล้าครับถ้ตามตา ม, ตามที่พระเจ้าสอนก็ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าถวายสังฆทานหรือทำอะไรให้กับสงฆ์ทำให้กับวัดไปแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนบุญที่ทำไปให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วคำถามจากคุณจิม หากยังต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่อยากมาเกิดในกรียุคในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาต้องทําอย่างไรถึงจะได้อยู่ภายใต้ร่มโบว์พระพุทธศาสนาในทุกภพทุกชาติไปครับอ๋อมันเป็นเรื่องที่เรากําหนดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน จังหวะที่เราจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามันก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะมาปรากฏขึ้นอีกเมื่อไหร่หลังจากที่ศาสนานี้เสื่อมหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัสรุีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วจังหวะที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็กำหนดไม่ได้ั้งทีเราต้องไปรับผลบาปในนรกในอบายก่อนหรือไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อน กว่าจะกลับมาเกิดในแต่ละจังหวะแต่ละช่วงมันมันไม่ใช่เป็นของที่เราจะไปกําหนดได้ mm hmm. เหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปจอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วเรามีรถข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเราเอแล้วเราหวังว่าพรุ่งนี้มาจอดที่เดิมอีกเวลาเดิมอีกเราจะได้รถทั้งสี่คันมาจอดที่เดิมอีกหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นของที่มันจะ กำหนดได้เนะี่ยเพราะทุกอย่างมันเคลื่อนไหวมันเป็นมีเหตุมีปัจจัยของมันยังอย่าไปหลอกตัวเองให้ไปรออนาคตเลยตอนนี้เราได้ยุคที่ดีมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ที่สามารถที่จะช่วยให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปทำไมไม่ใช้มันเสียแต่ตอนนี้ไปหวังอะไรกับข้างข่าวหน้าที่ไม่มีอะไรที่จะแน่นอน ตอนนี้เราได้ของที่วิเศษที่สุดแล้วละ่ะยุคนี้เป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่ถือว่ายากแสนยากโอกาสที่จะได้เกิดได้เป็นอย่างนี้สักครั้งมันไม่ใช่เป็นของง่ายตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทำไมเราไม่รีบมาทำกันเรายังมาครัวยังมาเสียดายความสุขเล็กเลน้อย ถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยล้วไม่สนใจเจอพลอยเขาก็เขียทิ้งเขียทิ้งเพราะไม่รู้คุณค่าของพลอยรู้ว่ากินไม่ได้ก็เลยเขี่ยทิ้งแต่ถ้ารู้ว่าถ้าเอาพลอยนี้ไปขายแล้วโอ้โหจะเอามาซื้อตัวนอนไส้เดือนได้ทั้งชาติเลยไม่ต้องไปขุดคุยให้มันเหนื่อยให้มันยากไม่เอายอมไปหาขุดคุยตัวนอนตัวไส้เดือนกินไปตามวัน พวกเรายังติดกับความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรวดอยู่พอบอกว่ามีความสุขที่มีราคาแบบเพชรหระบาบพลอยนี่ไม่เอาไม่ชอบ เ, ออเขียยทิ้งเขียยทิ้งไปหมดเพราะมันมันไม่รวดเร็วทันใจมันไม่เหมือนฟาสต์ฟู้ดเนี่ย ความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสนี้พอคิดถึงปั๊บไปหามันปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยแต่ความสุขทางใจนี้กว่าจะได้เหมือนต้องเอาเพชรเอาพลอยไปเจีรานาอีกี่ยต้องเอาไปชำระได้เพชรมาแล้วจากดินมันยังไม่ยังสศกโปกอยู่ยังมีดินมีอะไรคุ้มหออยู่ต้องเอาไปซักเอาไปเอาไปทําความสะอาดแล้วต้องเอาไปขัดสีฉวีวันอกีกเอาไปเจีรานา ่าจะได้เพชรน้ำหนึ่งมานี่ก็ต้องเหนื่อยยากแต่พอได้มันมาแล้วมันคุ้มค่าไหม <Yeah. S 1> นั่นแหละนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดกันอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ไ ม, ม่ไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถกำหนดได้ปัจจุบันเรากำหนดได้ทำไมเราไม่เอากันเราเอาแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วไม่ดีกว่าเพราะกลับมาเกิดมันไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะกลับมาเกิดในยุคใด อย่อยากกลับมาเกิดดีกว่าตอนนี้ศาสนารับประกันว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดได้อย่างแน่นอนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีทำมาไม่เอากันจะมาคอยกังวลว่าชาติหน้าจะกลับมาแล้วเจอศาสนาพูดเองหรือเปล่า <laughs> เจอก็ไม่ได้ไประโยชน์ดีๆเจอก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งอยู่างยืนดีดดดดดด คำถามจากคุณจิตรดาจิตเมื่อได้ฟังธรรมหรือสวดมนต์ทำสมาธิจะไม่คิดเรื่องผิดศีลแต่พอไปอยู่กับชีวิตการงานสังคมก็มีเผลอบ้างเราจะมีวิธีไหนที่จะประคองจิตให้ไม่เผลอครับก็ต้องมีความมั่นคงในการรักษาศีลนะมีมีสติคอยควบคุมความคิดพอเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันนะ ถ้าไม่หยุดก็ต้องพุทโธพุทโธไปเอสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้มันคิดเนียเราห้ามมันได้เราความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาปับ๊บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็หยุดไปพอมันกลับมาอีกก็พุทโธอีกถ้ามันไม่กลับเราก็ไม่ต้องพุทโธพอมันเริ่มคิดไม่ดีเราก็พุทโธไปเหมืนอนรถเนี่ยพอมันจะวิ่งออกนอกทางเราก็เหยียบเบรกซะหยุดมันเอ คำถามจากคุณสมเกียรติพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่ครับและสามารถสร้างและทําบุญกุศลได้ไหมครับอพญานาคมันก็บอกว่าเป็นงูงูมันงูมันก็เป็นเดรัจฉานนี่เองอคำถามจากผู้ฝากถามครั้งหนึ่งนั่งสมาธิภาวนารู้สึกว่ามือและแขนหายผมมองดูโดยยังภาวนาอยู่ก็รู้ว่า หายจริงๆพอถอนออกจากสมาธิคิดว่าเพราะเป็นเน็บชาจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับไม่ต้องรู้ว่ามันเพราะอะไรแล้วรู้ว่ามันหายก็หายท่า <c oughs> น, นั้นก็พอทําไมต้องไปรู้มันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วไม่จำเป็นจะต้องรู้รู้ไปก็เท่านั้นรู้ถ้าจะเป็นก็บอกมันเป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิใจเราไม่ไปนสนใจร่างกายมันก็หายไปชั่วคราวพอเรากลับมาสนใจมันก็กลับมาอีก คำถามจากคุณยาในขณะที่นั่งสมาธิเกิดสภาวะจิตสอนจิตว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทำให้เกิดจิตสงบว่างเบาหลังจากนั้นควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไปปฏิบัติกับของที่เรามีอยู่ใช่ภรรยาเราก็ไม่เที่ยงสามีเราก็ไม่เที่ยงลูกเราก็ไม่เที่ยงงานที่เราทำก็ไม่เที่ยงทรัพสมบัติเก้าของเงินทองเราก็ไม่เที่ยงใจมันจะได้เบาจะได้เย็นจะได้สบาย คำถามจากคุณนุกการถวายอาหารให้พระรับประทานให้ฉันคือการสังฆทานสดใช่หรือไม่ครับและได้บุญระดับไหนครับก็เหมือนสังฆทานอย่างอื่นนะสดก็ได้แห้งก็ได้อคือมันความจริงสังฆทานอาหารนี่เขาให้ถวายสดถวายแห้งก็ได้แต่ต้องถวายแบบเป็นของส่วนรวมคือเอาไปเก็บไว้ในโรงครัวถ้ายังางอา ยังไม่ได้เอามาประกอบให้รับประทานได้ก็ถวายเก็บไว้แต่พระเอาไปฉันไม่ได้ต้องรอให้เขาเอามาทำเป็นอาหารก่อนได้อันนี้สงเหมือนกันจะค้าไอของของแห้งของสดก็ก็ได้บุญเหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการเล่นการพนันผิดศีลหรือไม่ครับมันไม่ผิดศีลแต่มันเป็นอบายมุกเนี่ย มันจะทําให้กลายเป็นไปทําบาปต่อไปเวลาเล่นหมดนะไม่มีเงินเล่นก็อยากจะเล่นต่อก็ต้องไปโกหกหลอกลวงขอยืมเงินคนนั้นคนนี้มาเล่นแล้วพอไม่มีเงินจ่ายเขาก็เหมือนกับลักท ร, รัพย์ของเขาหลอกลวงเขาแล้วพอต่อไปหลอกลวงไม่ได้ก็ไปลักขโมยลักขโมยไม่ได้ก็ไปป้นนั่นเลยไปจี้เห็นไหมแล้วก็ไปฆ่าคนอีกเวลาเกิดการต่อสู้กันขึ้นมา มันนำไปสู่การทำบาปตัวอบายามุกเองมันไม่มันไม่บาปหรอกถ้าเราเล่นแล้วเราพอหมดก็เลิกจบก็จบเนี่ยแต่มันไม่ยอมจบมันไม่ยอมเลิกเวลาเสียก็อยากจะได้คืนเวลาได้ก็อยากจะได้อีกยมันก็เล่นไปจนไม่มีจะให้เล่นก็ต้องไปหาเงินมาเล่นโดยวิธีทำบาปคำถามจากคุณไมล์จิตสงบอยู่แล้วบริกรรมอสุภะได้ไหมครับ ถ้าสงบอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเหมือนอกินอาหารอิ่มแล้วกินเข้าไปอีกมันก็ไม่ได้ทําให้อิ่มคืออิ่มขึ้นกลับทําให้ทุกข์มากขึ้นเลยเพราะเริ่มแน่นท้องแล้สเตึงแล้วงัน mm hmm. พออิ่มแล้วพอจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรใช้สติคอยสักแต่ว่ารู้ให้ใจสักแต่ว่ารู้อย่าให้คิดปรุงแต่ง mm hmm. คำถามจากคุณอุทยัยการใช้วิธีสักแต่ว่ารู้เป็นการหยุดสังขารปรุงแต่งจิตหรือหยุดความคิดโดยตรงครับถ้าสักแต่ว่ารู้มันก็คิดไม่ได้ถ้ามันคิดได้มันก็ไม่สักมันก็ยังไม่สักแต่ว่ารู้เห็นมันก็พยายามสักแต่ว่ารู้ไปก่อนแต่มันยังไม่สักแต่ว่ารู้อย่างสมบูรณ์เพราะมันยังมีความคิดเข้ามาคิดอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมัน เราเราต้องไปนั่งเฉยๆแล้วหลับตาแล้วก็เพ่งดูลมเนี่ยมันถึงจะรวมเข้าไปเหลือแต่สักแตว่ารู้จริงๆอีกทีถ้าการจเจริญสตินี้ยังไม่ถือว่าเป็นสักแต่ว่ารู้อย่างอย่างแท้จริงเป็นการเข้าสู่การสักแต่ว่ารู้คำถามจากคุณเจ็ดสี่เจ็ด ผมทำสมาธิแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิอยากจะเพิ่มเวลาให้มากขึ้นถือว่าเป็นกิเลสและควรทำไหมครับอ๋อไม่เป็นกิเลสแล้วเป็นทางธรรมยิ่งทำมากยิ่งได้มากยิ่งดยียิ่งให้ความสุขยิ่งกาจัดความทุกข์ให้น้อยลงไป<ม>เป็นมรรคเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เป็นกิเลสที่สร้างความทุกข์เพิ่มให้กับจิตใจ <c oughs> คำถามจากคุณฟ้าใสหากลูกชายบวชพระแล้วไม่ได้ไปร่วมงานบวชแต่ยินดีและปราบปลื้มที่ลูกบวชและอนุโมทนาบุญกับลูกแบบนี้จะถือว่าแม่ละเลยงานบวชของลูกไหมเจ้าคะไม่ไปก็ไดไไ้ไม่สำคัญอะไรจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าเรา ถ้าเรามีความชื่นชมยินดี ม, นมันก็เป็นบุญของเรามีความสุขกับการบวชของลูกครับคำถามจากคุณลิมวิธีขอธรรมะแก้ความวิตกกังวลกับโรคไวรัสที่ระบ า, ขาดขณะนี้ครับก็คิดว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคน ไม่เจ็บวันนี้ไม่ตายวันนี้ก็วันทุกนี้มันหนีไม่พ้นหรอกฉะนั้นอยงทำได้อย่างมากก็ให้มีความระมัดระวังคอยรักษาสุขภาพคอยหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้สถานที่ที่มีแพร่เชื้อโรคต่างๆก็ทำได้เท่านั้นแต่ถ้าถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันก็มันก็เจ็บได้ตายได้ด้วยกันทุกคน ฉะนนไปวิตกกังวลก็ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเสียแต่อย่างใดทูปปองดีกว่าปองแล้วจะหายวิตกอ่ะคุยยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเมื่อถึงเวลาแต่ก็ไม่ได้แบบว่าทำแบบไม่มีประมาททำด้วยความระมัดระวังรักษาชีวิตไปดูแลมันไปด้วยความระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่จะถึงขั้นที่จะทาให้เราเครียดทาให้เราวิตก และขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ว่าวันที่สามสิบเอ็ดจะไปปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งหนึ่งต้องพบผู้คนมากมายเพราะว่ามีเชื้อโรกช่วงนี้ครับควรจะไปปฏิบัติหรือไม่ไปครับก็ไปวัดที่ไม่มีคนเยอะเลยวัดปฏิบัติจริงๆเขาไม่มีคนมากถ้าเป็นคนมากนี้ยังเป็นวัดแบบอนุบาลอยู่ วันอนุบาล น, นี้เป็นคนที่ยังปฏิบัติเองไม่เป็นยังต้องจับจับกลุ่มแล้วให้มีคนคอยสอนเหมือนเด็กอนุบาลถ้าเราปฏิบัติเองเป็นแล้วเราก็ไปหาวัดเงียบๆที่มีไม่มีคนไปแต่มีสถานที่สงบที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติคำถามจากผู้ฝากถาม กราบขอธรรมะเวลาที่จิตตกหรือขาดสติครับก็ฟื้นสติขึ้นมาเลยก็พุโทโธพุโทโธไปพอจิตตกแล้วอย่าไปคิดคิดยังไงมันก็ไม่ฟืน้นสตินี่แหละเป็นเหมือนตัวที่จะดึงจิตให้กลับขึ้นมาได้นี่พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็กลับมาเย็นสบายปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจไม่หนัก อ, อกหนักใจ คำถามจากคุณแคทพระท่านสามารถถอดกายทิพย์ได้ไหมครับใครก็ได้ถ้ามีสติมีกำลังพอก็สามารถที่จะแยกกายทิพย์ออกจากร่างกายได้เวลาเข้าสมาธิกายทิพย์กับร่างกายก็แยกออกจากกันชั่วคราว คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามตอนนี้ลูกถูกกิเลสหลอกใช้จิตหลงผิดมาห้าหปีแล้วไม่มีสติเลยเจ้าค่ะอย่างที่พระบอกว่าลูกคิดว่าตัวเองเป็นภิกษุณีเป็นพระโสดาบันลูกแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะขอกราบขอคําชี้แนะด้วยครับก็เมื่อรู้แล้วมันก็แก้แล้วเลยเมื่อรู้ว่าเราไม่เป็นแล้วก็จบเลยเมื่อเป็นเราก็มาเริ่มปฏิบัติเพื่อทําให้มันเป็นขึ้นมาเท่านั้นเอง ก็มาฝึกสตินั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้อัปปนาสมาธิก็มาพิจาราร่างกายแล้วก็ไปหาที่ปล่อยวางไปทดสอบว่าปล่อยวางได้หรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร mm hmm. ความคิดผิดอยูม่มาเหมือนกับเราขับรถผิดทางแล้วก็ย้อนกลับเท่านั้นเองทางนี้ไม่ใช่ทางตายแล้วมันตัน พอตันแล้วเราก็กลับรถแล้วก็กลับมาดูแผนที่ว่าทางที่ถูกไปทางไหนแล้วก็กลับไปทางที่ถูกเท่านั้นเองหมดแล้วเนี่ยมัน mm hmm. เป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติที่ถึงแม้อาจจะมีครูบาอาจารย์ก็ตามก็ยังสามารถหลงทางได้แต่ถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงนี่ก็แสดงว่ามีปัญญาแล้วแก้ได้แล้ว แต่ถ้าหลงแบบไม่รู้ว่าหลงเนี่ยแก้ยากถ้ยังคิดว่าตัวเองยังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เนีนยอันนั้นแก่ยากแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ช่วยไม่ได้มีลูกศิษย์บางองค์ไปเล่าเรื่องการปฏิบัติว่าเห็นนูน่นเห็นนี่ว่าบรรลคุคันนู้นคันนี้เ้วถามว่าจะให้ทําอะไรต่อท่านก็บอกว่าไปเจริญสติกับปัญญาต่อไป ถ้ามันบรรูุแล้วต้องไปเจริญสติปัญญาทำไมต้องมาถามทำไมว่าต้องไปทำอะไรต่อใช่ไหมน่แสดงว่ามันไม่บรรลุแล้วมันไม่รู้แต่จะไปบอกว่ามันไม่บรรลุเดี๋ยวมันก็จะเสียใจก็เลยไม่บอกก็บอกให้มันไปเจริญสติปัญญาต่อนะ ครูบาอาจารย์ท่านฉลาดเนี่ยบางทีท่านรู้จักวิธีพูดพูดเชื่อเพื่อที่จะทําให้แม่เขาจิตเขาตกเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปบอกว่าเออมึงย่งไม่บรรลุมึงกําลังหลงดีหรือไม่ดีอาจจะโกรธอาจารย์ก็ได้อาจจะเกลียดอาจารย์อาจจะหาอาจารย์ไม่รู้ก็ได้เนี่ยก็มีที่อาจารย์ไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงต้องรู้ว่าผมบนรลุเยนี่ทํำไมถ้ารู้ว่าผมไม่บรรลุก็แสดงว่าอาจารย์ไม่เก่งจริงเลย เวลากิเลสมันจะดือ้อมันจะคิดไปทางของมันเน่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เลย ร, รู้รู้แนวก็เลยก็ส่งเสริมากอย่างนั้นก็ถ้าอยากจะทำถ้าบรรลุแล้วจะต้องทำอะไรต่อก็ไปเจริญสติปัญญาต่อไปก็แล้วกันแต่ถ้าคนที่บรรลุจริงเขารู้ว่า กิจในปรมาจารย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทําอีกต่อไปวู้สิงต่งบ ร, รมาจารย์หรือยังส่วนกิจกรรมการเผยแพร่สั่งสอนนี่ก็เป็นเรื่องออปชั่นละจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ออไม่ไม่เสียหายถ้าไม่มีคนสอนจะไปสอนใครถ้าไม่มีคนเรียนก็สอนไม่ได้ออยั้นก็ต้องดูสัตร์ดูว่ามีนักเรียนจะมาเรียนหรือเปล่า ถ้าไม่มีนักเรียนเรียนก็ไม่ก็ไม่ต้องสอนะแต่ถ้ามีนักเรียนมาเรียนก็ต้องสอนไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแต่ไม่จะไม่ไปเดินกว้านเน่านักเรียนมาสอน <c oughs> การจะเรียนธรรมนี่เขาต้องสมัครใจมาเรียนเองถึงจะถึงจะได้ผลถ้าไปกว้านคนที่ไม่อยากจะเรียนมาเรียนก็เหมือนเอาเทน้ําใส่หลังหมาเห็นไหมถ้าหมาไม่อยากกลับน้ํานี่ลองเทน้ําใส่หลังหมาดูเลย มันสะบัดทิ้งหมดถ้าคนไม่สนใจธรรมะไปกว้านให้เขามาฟังธรรมในเขาไม่มาหรอกหรือมาก็มาด้วยความจำใจอย่างที่นี่เราจึงบอกญาติโยมบางทีก็มีบ ร, ริษัทมีลูกน้องก็อยากจะให้ลูกน้องมาฟังธรรมบอกอย่าทําอย่างนี้เลยอย่ากว้านเขามาอย่าบังคับเข้ามาเพราะเขาไม่ชอบบางทีเข้ามาแล้วเขาไม่ฟังอะเขาว่านั่งคุยกัน แล้วมันทำให้เสียบรรยากาศของสถานที่ของคนฟังธรรมบอกเขาได้ว่าที่นี่มีการฟังธรรมแล้วหัวหน้าจะมาวันนั้นวันนั้นใครอยากจะมาก็ติดรดมาได้อย่างนั้นดีกว่าแต่อย่าไปพูดในเชิงบังคับอะเพราะวันนี้บริษัทจะทำกิจกรรมไปฟังธรรมด้วยกันนะถ้าใครไม่ไปนี่ก็เดี๋ยวจะตกเป็นเป้าเ่็นไหมฮะไม่ให้ความร่วมมือเขาก็ต้องมาแต่เขาไม่ได้มาด้วยความสมัครใจ นั้นไม่อย่าไม่ควรทำอย่างนั้นเรื่องธรรมะนี่ไม่ควรบังคับกันเชื้อเชิญได้เปิดโอกาสให้รับรู้ได้ว่ามีการแสดงธรรมที่นั่นที่นี่ธรรมะมีคุณประโยชน์ยังไงบอกได้แต่เขาจะเอาไม่เอานี่ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของเขา คำถามจากคุณสุกัญญายมเห็นสภาวะจิตกับกายเป็นคนละส่วนกันแล้วแต่ใจรู้สึกกลัวเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรครับก็ยังไม่เห็นจริงเลยเห็นจริงจะไปกลัวอะไรเมื่อเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมยังไปเห็นยังไม่เห็นจริงเห็นตามความรู้สึกนึกคิดอยู่แต่เห็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อร่างกายไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันเราจะไปกลัวอะไร ทำไมเห็นคนอื่นเขาเจ็บเรากลัวไมใช่ไหมเห็นคนอื่นเขาตายเรากลัวไม่กลัวนี่มันไม่เห็นเลยมันคิดว่าเห็นมันเลยกลัวขึ้นมาเนี่ยจิตมันหลอกเรานะระวังพวกที่เห็นเห็นอะไรกันนี่ต้องพิสูจน์ว่าเห็นจริงแร้วไม่เห็นจริงนะถ้าเห็นจริงแล้วไม่ทุกข์นะไม่มีความกลัวไม่มีความหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นถ้ายังหวั่นไหวยังทุกยังกลัวอยู่นี่แสดงว่ายังเห็นไม่จริง เห็นด้วยความคิดไม่ได้เห็นด้วยความจริงยังไม่หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีจะปิดประชุมนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ